9. ทุติยะคินชกาวะสทสูตรว่าด้วยธรรมะบรรยายที่พระตํหนักอิดสูตรที่สองหนึ่งันหท่านพระ อ, อนน์นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอโศกะภิกษุมรณภาพแล้วคติของเธอเป็นอย่างไร อภิสัมภัยพบเป็นอย่างไรอโศกาภิกษุณีมรณาภาพแล้วอโศกอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วอโศกาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้วคติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมาภาัยพบเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์อโศกะภิกษุมรณาภาพแล้ว ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนื้อเรื่องก็อย่างเดียวกับการพยากรณ์ปัญหาข้างต้นอาโนนนี่แหละคือธรรมบัญญายชื่อธรรมมาธาตุที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว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 ทุติยะคินชากาวัถะสูตที่9จบ